เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนายท ร, รคนชอบเล่าวันนี้มีนิทานสนุกสนุกอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเมื่อนานมาแล้วมีนายพลผู้หนึ่งจับอีกาได้หนึ่งตัวจึงได้นาอีกานั้นกลับบ้าน ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านอีกาก็วิงวอนในพรานว่าท่านในพรานผู้ใจดีจ้าขอให้ปล่อยฉันไปเถอะฉันเป็นเพียงอีกาตัวดำๆตัวเล็กๆแค่นี้ท่านจะจับฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรในพรานได้ยินก็หัวเราะและตอบว่าแม้เจ้าจะเป็นเพียงนกตัวเล็กๆแต่เมื่อถอนขนจะแล้วนําไปแกง ก, ก็กินได้อร่อยเหมือนกันตัวข้านั้นไม่ใช่พรานป่าที่คิดจะล่าสิงห์ล่าเสือแม้นกตะต่ายที่พอประทังชีวิตได้ข้าก็ยินดี เพราะครอบครัวของข้านั้นยังไม่มีลูกไม่มีเต้าข้าอยู่กับเมียเพียงสองคนเท่านั้นข้าไม่ต้องการสัตว์ใหญ่อะไรมากมายนักหรอกอีกาได้ยินเช่นนั้นก็พยายามเอ่ยตอบไปว่าโธ่พ่อพรานจ๋า พ, พระพรานผู้อารีปล่อยฉันไปเถอะพรุ่งนี้เช้าฉันจะล่อนกกระจาบหลายสิบตัวมาให้ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณเในพรานเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ถามว่าก็แล้วว่าข้าจะเอานกกระจาบหลายสิบตัวไปทําไม ลำพังนกเพียงตัว2ตัวก็ทำอาหารได้อร่อยอร่อยได้ทั้งวันแล้วหากท่านจับนกกระจาบไปหลายสิบตัวท่านก็แบ่งไว้แกงกินบ้างปั้นให้เพื่อนบ้านบ้างและที่เหลือก็ยังทำเนื้อนกตาแข้งเอาไปขายในตลาดได้เงินไปอีกไม่ใช่น้อยเป็นแน่ท่านไม่ต้องการเงินทองบ้างหรืออีกาพยายามน้มน้าวเลียกกล่อมในที่สุดนายพานก็ยอมปล่อยอีกาไปโดยดีและแล้วเมื่อวันรุ่งขึ้น เมื่อในพานกลับเข้าไปในป่ายังจุดนั้นพบอีกครั้งก็พบว่าอิกาได้ล่อนกกระจาบกว่า10ตัวมาติดแหววของในพานตามคำพูดจริงๆในพานดีใจมากที่ได้นกกระจาบหลาย10ตัวกลับบ้านในพานได้แบ่งนกกระจาบสองสาตัวให้เมียของเขาแกงบ้างผัดเผ็ดบ้างแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านกินด้วยตามที่อีกาบอกที่เหลือกว่าอีก10ตัวเมียของในพานก็ได้ทําเป็นเนื้อแห้งแล้วก็นําไปขายที่ตลาดได้เงินมาจํานวนหนึ่ง หลายวันต่อมาเมื่อในพลานเข้าไปในป่าก็พบอีกาตัวดำตัวเดิมเข้ามาติดอยู่ที่แร้ของในพลานอีกเมื่อในพลานจับอีกาใส่ถุงตะข่ายกลับบ้านอีกก็ร้องขอชีวิตอีกครั้งได้โปรดเธอพรพรานผู้อารีปล่อยฉันอีกสักครั้งเถอะนะในพลานได้ฟังเช่นนั้นก็หูราะและพูดว่าอะไรกันอีกละกาเอ๋ยข้าเป็นในพลานนะมิชัยนักบุญข้ามีอาชีพจับสัตว์ทําไมข้าจะต้องปล่อยสัตว์ทุกครั้งที่ข้าจับได้ด้วยละ่ะ ครั้งที่แล้วที่ข้าใจดีปล่อยเจ้าไปก็ถือว่าเป็นการผิดพิสัยมากพอแล้วนะอีกาบ่นพึมพำอย่างเสียใจว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้าจะต้องมาติดแล้วของท่านอีกครั้งหนึ่งก็นั่นสินะในพรานเอ่ยปากอย่างขำขันคราวนี้อุตสาเอาแล้วไปดักไกลจากจุดเดิมมากนะคงจะเป็นดวงของเจ้ากระมังที่จะต้องบินมาติดแล้วของข้าอีกทั้งที่เปลี่ยนที่วางห่างจากเดิมตั้งไกลอีกายังไม่ยอมยอ่อท้อ พยายามวิงวอนขอชีวิตเหมือนเช่นครั้งก่อนอีกว่า พ, พ่อพรานจ๋า พ, พ่อพรานผู้ใจดีคราวที่แล้วท่านได้นกกระจาบไปหลายสิบตัวข้าเชื่อแน่ว่าเนื้อของนกกระจาบคงจะอรเด็ดอร่อยเป็นแน่เมื่อ น, นําไปผัดเผ็ดหรือ น, นําไปแกงบอกข้าหน่อยสิว่านกกระจาบที่ท่านนําไปขายในเมืองนั้นแลกเงินได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมเมื่ออีกาชวนคุยเช่นนั้นนายพรานก็เผลอเอ่อยตามความเป็นจริงใช่สิ เบียค่านําเนื้อหมักกับเกลือตาแห้งและนําไปขายในเมืองได้เงินมาจํานวนหนึ่งซึ่งปกติข้าก็ไม่ได้นําอะไรไปขายในเมืองมานานแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าข้าล่าสัตว์ใหญ่ๆได้ข้าจึงจะนําไปขายในเมืองระยะหลังนี้ล่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้จึงไม่มีอะไรเข้าไปขายไม่คิดว่าสัตว์เล็กๆก็นําไปขายได้เบียของข้ารู้สึกดีใจนักเชียวอีกาได้ฟังเช่นนั้นก็รีบเกลี้ยกล่อมต่อไปว่าแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการเงินทอง หรือแม้ว่าท่านจะต้องการจับสัตว์เป็นอาหารประทางชีวิตไปวันวันเท่านั้นแต่ข้าเชื่อว่าท่านจะต้องรักเมียของท่านไม่น้อยท่านไม่อยากให้เมียของท่านดีใจอีกหรือปล่อยข้าไปสิรับรองว่าพรุ่งนี้ข้าจะล่อเอากระต่ายตัวอ้วนๆสักสองจังสาตัวไม่ให้ท่านอีกท่านจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเปืองแรงและเสียเวลาตลอดวันเพียงแค่พรุ่งนี้เช้าท่านเข้ามาถึงป่าก็สามารถได้เนื้อกลับไปเลยท่านจะได้มีเวลาอยู่กับเมียของท่านตลอดวัน และท่านยังจะได้เปลี่ยนรสชาติจากเนื้อนกเป็นเนื้อกระต่ายบ้างและแน่นอนว่าท่านก็จึงได้นําเนื้อกระต่ายไปขายในตลาดอีกด้วยได้ราคาดีกว่านกกระจาบเป็นแน่อีกาพยายามโน้มน้าวต่างๆนาน า, นาพร้อมทั้งวิงวอนขอร้องให้ปล่อยมันไปอีกครั้งในที่สุดนายพรานก็ใจอ่อนยินยอมปล่อยอีกาไปแต่โดยดีครั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อนายพรานเข้าไปในป่าก็พบว่ามีกระต่ายตัวอ้วนผีสตัวติดอยู่ในกับดักของตนจริงๆ เดฟพานนํากระต่ายกลับบ้านด้วยความดีใจเขาให้เมียของเขานำเนื้อกระต่ายไปแกงบ้างผัดเผ็ดบ้างและที่เหลือก็หมักเกลือตากแห้งนาไปขายในตลาดในเวลาต่อมาก็ได้เงินไปอีกจํานวนหนึ่งและหลังจากนั้นอีกไม่ช้าไม่นานนักอีกาตัวเดิมก็พัดมาติดในแล้วของเดฟพานคนเดิมอีกอะไรกันนักหนาเนี่ยคราวนี้ไม่ว่าอีกาจะวิงวอนขอร้องและเรียกร้องด้วยการเอาเนื้อสัตว์ใหญ่ๆมาล่อให้เกิดความต้องการอย่างไรก็ตามเดฟพานก็สายสีสะอย่างเดียว คราวนี้ข้าปล่อยเจ้าไม่ได้แน่เพราะเมียของข้าตั้งท้องและอยากจะกินเนื้อกาดังนั้นข้าจึงไม่ต้องการเนื้อสัตว์อื่นๆเจ้าไม่จําเป็นต้องไปล่อนกกระจาบล่อกระต่ายมาให้ข้าอีกต่อให้ล่อกเก้กล่อกวางมาให้ข้าก็คงต้องปฏิเสธเพราะเมียข้ากินเนื้อกาเท่านั้นอีกาได้ฟังเช่นนั้นก็ตัวสั่นเงย ง, งกแต่ยังพอมีสติที่จะอ้อนวอนต่อไปว่าเพระพรานเพร่อพรานผู้ใจดีข้าน่ยเป็นเพียงแค่อีกาตัวเดียวเมียของท่านก็กําลังท้อง ถึงกินวันนี้แล้วก็คงต้องอยากกินอีกข้าตัวเดียวคงจะไม่หายอยากเป็นแน่เอาอย่างนี้แล้วกันขอให้ท่านไว้ชีวิตข้าอีกสักครั้งพรุ่งนี้ข้าจะไปล่ออีกาเพื่อนข้ามาสักฝูงหนึ่งเอาสัตว์ิตัวเป็นไงนอกจากเมียของท่านจะได้กินจนอิ่มหนำแล้วยังจะเหลือไปขายในตลาดอีกไม่ต้องกัรวลนะข้าจะล่อให้ท่านแ น, แน่เพราะอีกาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนของข้านั้นย่อมล่อง่ายกว่าสัตว์อื่นๆเป็นอีกเมื่อได้พ่านได้ฟังเช่นนั้นก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาบางอย่างได้ จึงกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าอีกาเอ๋ยชนไหนเจ้าจึงใจดําเหมือนกับตัวเจ้าเจ้าหลอกสัตว์อืน่นๆไม่ให้ข้าเพียงเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ข้าก็ไม่ว่าเพรัตวทั้งหลายก็เหมือนกับคนยอมรักชีวิตของตนแต่การที่ครั้งนี้เจ้าถึงคิดหลอกพวกเพื่อนๆมาตายข้าเห็นว่าเป็นการรักชีวิตแบบเห็นแก่ตัวไปหน่อยถ้าเป็นข้าข้าคงจะยอมตายมากกว่าไปหลอกเอาชีวิตของเพื่อนเพื่อ น, นมารักษาชีวิตของตนในเมื่อใจดําเช่นนี้ก็สมควรแล้วแหละที่เจ้าจะต้องตาย เจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมในเมื่อเจ้าไม่ใช่สัตว์ที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อเพื่อนหรือต่อใครๆเลยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นอีกาก็ยังไม่สลดยังคงกล่าวต่อไปอย่างมีความคาดหวังว่าพ่อพราญเอ๋ยพ่อพราญอย่าใจร้ายกับข้าเลยถ้าท่านฆ่าข้าแล้วใครจะลอ่อล่าต่างๆมาให้ท่านเป็นจํานวนมากเช่นนี้อีกหากท่านไม่มีข้าท่านก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยออกไปล่าสัตว์ด้วยตนเองแต่นี้ข้าก็ล่อมันให้ท่านอย่างง่ายดาย ท่านยังอยากจะเหน็ดเหนื่อยอีกอย่างนั้นหรือในพรานได้ฟังเช่นนั้นก็สายหน้าและพลางบอกว่าอีกาเอ๋ยนอกจากเจ้าจิตใจดําแล้วเจ้ายังไม่ฉลาดเลยเจ้าก็น่าจะรู้นะว่าข้านั้นเป็นมนุษย์ข้าเป็นพรานข้าสามารถจะจับสัตว์ต่างๆด้วยตนเองการที่ข้ายอมตามใจเจ้าถึงสองครั้งสองครานั้นกระเพาะเวทนาเจ้าเป็นสําคัญหากไม่มีเจ้าล่อนกกระจาบหรือกระต่ายมาให้ข้าข้าก็สามารถออกล่าจับได้เองอยู่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องเด่นเหนืยยากเย็นอะไรเลยเจ้าอย่าทรนงตนว่ามีความสำคัญต่อข้านักอีกเลยอีกาเอ๋ยผู้ที่คิดล่อเพื่อนมาตายอย่างเจ้าก็สมควรยอมรับความตายแต่โดยดีเถอะนะและเย็นวันนั้นอีกาจึงกลายเป็นอาหารอันโอชะของเมียในพรานซึ่งกำลังตั้งครรภ์อยู่ในที่สุดนิทานเรื่องนี้มีแง่คิดดีๆนะครับการครบคนต้องเอาหัวใจไปวางไว้แล้วเราจะได้หัวใจความจริงใจกลับคืนมา หากคนใดไม่มีความจริงใจให้กับผู้ที่เป็นมิตรบ้านปลายชีวิตก็อาจจะจบลงไม่สวยแบบอีกาก็เป็นได้สวัสดีครับ